จำแน่ฌานเป็นอย่างละสิบหกสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะละถึงอวิเเคปะก็เกิดขึ้น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 โยคาวจรบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจากรามบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวีกษินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยบูนอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นขุสลสภาวธรรมที่เป็นขุศลเป็นไน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 โยคาวจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพสงังดจากรามบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวิคสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาคิ ป, ปาพิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ไพยบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเขคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไน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 โยควจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจัตุทชาญบรรลุปถมชาญบรรลุปัญจมชาญที่มีปัทวีกษินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปัทวีคศินเป็นอารมณ์เป็นทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญา ซึ่งมีกําลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยโบลที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกําลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกําลังมากและมีอารมณ์ภัยโบลที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขลาปฏิปทาขิดปาพิญญาซึ่งมีกําลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อย ที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขลาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยโบลที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขลาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์เป็นทุกขลาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ภัยโบ์ที่มีปัทวีคสินเป็นอารมณ์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 ซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ไพ่บูนที่มีปัทวียกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกําลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยที่มีปัทวียกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกําลังน้อยแต่มีอารมณ์ไพ่บูนที่มีปัทวียกสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกําลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อย ที่มีปฐวีเครสินเป็นอารมณ์เป็นสุขาปฏิปทาขิปปาเพญยาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ภัยรณ์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกชาญเป็นอย่างละสิบหกจบ สินแปดเป็นอย่างละสิบหกสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบสังัดจากกลางบรรลุปฐมฌานที่มีอาโปกสินเป็นอารมณ์มีเตโชกสินเป็นอารมณ์มีวาโยกสินเป็นอารมณ์มีนีลกสินเป็นอารมณ์มีปีตกสินเป็นอารมณ์มีโลหิตากสินเป็นอารมณ์มีโอทาตากสินเป็นอารมณ์อยู่ในสมัยใด ในสมัยนั้นภัสสะและถึงอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกระศินแปดเป็นอย่างละสิพกจบอภิพายตนะปริตะสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนยโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อย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 บรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุทะฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุปัญจฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาเป็นสุ ข, ขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นสุ ข, ขาปฏิปทาขิปปาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพระจะอาวิเเคปะเพืเกิดขึ้น สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลปฏิปทาสจบอารมณ์สองสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคาวจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยขมรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานซึ่งมีกาลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อย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 ซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษสะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไหนโยคาวะจรนบุคคลเจริญมรกเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริครรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยขมรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็น เพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปแล้วบรรลุทุติยฌาบนบรรลุตติยฌาบนบรรลุจตุทัตฌานบรรลุปถมฌาบนบรรลุปัญจมญัฌานซึ่งมีกําลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยซึ่งมีกําลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศล อารมณ์สองจบจำแนกฌานเป็นอย่างละแปดสภาวะธรรมที่เป็นขุศลเป็นชนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภ พ, พไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายใน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 สภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคะวจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพไม่ได้ทำเบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกเพียงเล็กน้อยผอมรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อย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 บรรลุตติยฌานบรรลุจตุตฌานบรรลุปฐมฌานบรรลุปัญจฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยเป็นทุกขาปฏิปทาขิปาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยเป็นทุกขาปฏิปทาขิปาพิญญา ซึ่งมีกําลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยเป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกําลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยเป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกําลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อยเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาซึ่งมีกําลังน้อยและมีอารมณ์เล็กน้อยเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาซึ่งมีกําลังมากแต่มีอารมณ์เล็กน้อย อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภัสสะอวิเเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกฌานเป็นอย่างละแปดจบจำแนกอภิพายตนะแม่นี้เป็นอย่างละแปดสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนยโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภพไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายใน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 จำแนบอภิพายตนะแม้นี้เป็นอย่างละแปดจบอับปมานะสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นชนหนโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปภปพไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ภัยบูนผ่มรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นสงัดจาักรามบรรลุปฐมฌานอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้น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 บรรลุเจตุตชฌาบนบรรลุปถมชฌาบนบรรลุปัญจมชฌานอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษาอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลอัปมานะจบปฏิปทาสีสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคลาวจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ภัยบูนข่มรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอาวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคะวจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปประพบ ไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ภัยบูนขผมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นสงอาจจากกามบรรลุปฐมชาญเป็นทุกขลาปฏิปทาขิปปาเิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษะอวิเคปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลเป็นไน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 สภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคะวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบรอกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ไพบูรณข่มรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุ ท, ทลตุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจตุทัชานบรรลุ ป, ปถมชาญบรรลุ ป, ปัญจมชาญเป็นทุก ข, ขาปฏิปทาทันทาภิญญา เป็นทุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาเป็นสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาเป็นสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญาอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นพัะสัทวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลปฏิปทาสี่จบอารมณ์สองสภาวะธรรมที่เป็นกุศลเป็นไนโยคะวจนบุคคลเจริญมักเพื่อเข้าถึงรูปประพบ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 โยคาวจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภพไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ไพบูนข่มรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วบรรลุทุทตทิยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจตุทชานบรรลุปถมชาญบรรลุปัญจมชฌานซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยบู์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 จำแน่ฌานเป็นอย่างละแปดอีกในหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นขุสลเป็นไฉโยคาวจรบุคคลเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงรูปประพบไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ภบยบู์ขมรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นสงัดจากกรามบรรลุปฐมฌานเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกาลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยบู์อยู่ในสมัยใด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 โยคาวจรบุคคลเจริญมากเพื่อเข้าถึงรูปภปพไม่ได้ทำบริกรรมสัญญาที่รูปภายในเห็นรูปภายนอกที่ภับู์ข่มรูปนั้นด้วยคิดว่าเรารู้เราเห็นสงัดจากกามบรรลุปฐมฌานเป็นสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเชปะก็เกิดขึ้น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 ข่มรูปนั้นได้คิดว่าเรารู้เราเห็นเพราะวิตกวิจารณ์จสงบระงับไปแล้วบรรลุทลตุติยชาญบรรลุตติยชาญบรรลุจัตุทชาญบรรลุปถงมะชาญบรรลุปัญจมะชาญเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งมีกําลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยบูนเป็นทุกขลาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งมีกําลังมากและมีอารมณ์ภัยบูน เป็นทุกขาปฏิปทาขิปาภิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยบูนเป็นทุกขาปฏิปทาขิปาภิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ภัยบู์เป็นสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยบู์เป็นสุขาปฏิปทาทันทาภิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ภัยบูนเป็นสุขาปฏิปทาขิปาภิญญา ซึ่งมีกำลังน้อยแต่มีอารมณ์ภัยบู์เป็นสุขาปฏิปทาขิดปาพิญญาซึ่งมีกำลังมากและมีอารมณ์ภัยบู์อยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นาษะสวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกฌานเป็นอย่างละแปดอีกในหนึ่งจบจำแนกอภิพายตนะแม้นี้เป็นอย่างละแปด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 บรรลุปัญจมชฌานอยู่ในสมัยใดในสมัยนั้นภาษอาอวิเขปะก็เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกุศลจำแนกอภิพายตนะแม้นี้เป็นอย่างละแปดจบ